พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกสุทั้งหลายโภคะมีสองอย่างคืออมิตรโภคะหนึ่งธรรมโพคะหนึ่งในโภคะสองอย่างนั้นธรรมโภคะเลิศกว่าอามิตรโภคะมหาบอพิตอมิตรโภคะนั้นคือความร่ำรวยอมิตรการมีอมิตรความมั่งคั่งปัจใจสีและเปรียล้นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโภชทพะ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 ควรแก่การกราบไหว้ของมหาชนและเป็นเนื้อนาบุญของโลกต่อไปพระคุณเจ้ากล่าวถ้อยคาเป็นที่ชื่นชมทำให้ขพเจ้าชุ่มชื่นยิ่งนักกรุณาก่าวต่อไปเธอพระคุณเจ้าขาพเจ้าไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วพระคุณเจ้าประสงค์กราวสิ่งใดอันจะเป็นประโยชน์แก่ขพเจ้าก่อกรุณาก่าวเธอ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 ที่เห็นได้หลังจากตายทำลายขันแล้วหนึ่งประการคือ 1. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนมาก 2. ส, สัตว์บุรุษย่อมพอใจคบเค้า 3. ชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามย่อมฟุ้งขจรไป 4. จะก้าวเข้าสู่บริษัทสมาคมใดก็เป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขิน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 พอใจและสิ่งที่หาได้ยากในโลก5ประการนั้นคือ 1. อายุอันนาพอใจ 2. วัรณะอันนาพอใจ 3. สุขอันนาพอใจ 4. ยศอันนาพอใจ 5. สวรรค์อันนาพอใจบุคคลผู้ปรารถนาอายุวัรณนะสุขยศและสวรรค์